ระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิบสามระสูตรที่ห้าสิบสขาวระวะสูตรสูตรว่าด้วยสขาวระวะมานบพระผู้มีพระภาคสเสด็จจาริกไปในแคว้นโกศลพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่สมัยนั้นนางปรามณีมีนามว่าท น, นชานีอาศัยอยู่ในหมู่บ้านชื่อปัญจลกับปะ นางเป็นผู้เลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อพลาดล้มก็เปล่งอุทานสามครั้งว่านโมตัสสะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะสมัยนั้นสคารวะมานพซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเวททั้งสามได้ฟังว่านางพระมณีทนัญชาณีกล่าวถ้อยคำอย่างนั้นก็กล่าวว่านางพระมณีทนัญชาณี เป็นผู้ตกต่าล่มจมทั้งๆที่มีพราหมณ์ผู้รู้ไตรเวทก็ยังกล่าวคุณของสมณะศรีรษ裟ลน้นนางตอบว่าถ้าท่านรู้ถึงศีลและปัญญาของพระผู้มีพระภาคก็จะไม่สําคัญเห็นว่าพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ควรดาควรบริพารเลยมานพจึงสั่งว่าถ้าสมณะมาหมู่บ้านนี้ก็พึงบอกแก่ข้าพเจ้า นางพระมณีก็รับคำต่อมาเมื่อพระผู้มีพระภาคสเสด็จจาริกไปในแคว้นโกศลทรงแวะพักณ ห, หมู่บ้านชื่อปัญจลกัปปะประทับณป่ามะม่วงของโตเอยพราหมณ์นางธนัญชานีพรามณีจึงไปแจ้งให้สคารวะมานบทราบสคารวะมานบได้ทราบก็ไปเฝ้าทูลถามว่าพระโคดมเป็นพวกไหนของสมณะพราหมณ์ ที่ปฏิญญาถึงเบื้องต้นแห่งพรมจรร์ว่าตนรู้แจ้งในปัจจุบันอยู่จบพรหมจรรย์บรรลุถึงความเป็นผู้ถึงฟังอย่างสมบูรณ์พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพระองค์ตรัสว่าสมณพราหม์เหล่านั้นมีต่างกันคือที่เป็นพวกฟังสืบกันมาก็มีเช่นพวกพรามที่รู้วิชาสามคือรู้ไตรเวท ที่ปฏิญญาถึงเบื้องต้นแห่งโพรมาจรรันด้วยเหตุสักว่าความเชื่อก็มีเช่นพวกนักเดานักคิดพิจารณาที่รู้แจ้งธรรมะด้วยตนเองในธรรมะที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนก็มีพระองค์อยู่ในพวกหลังนี้ครั้นแล้วตรัสเล่าพระดำริตั้งแต่ยังไม่ได้เสด็จออกผนวดเห็นโทษของการครองเรือน แล้วเสด็จออกผนวดจนถึงทรงบำเพ็ญทุกระกิริยาแล้วทรงเลิกทุกระกิริยาจนได้บำเพ็ญฌานและได้วิชาสามในสามยามแห่งราตรีเนื้อหานี้มีข้อความพิสดารเช่นเดียวกับในมหาสัจกสูตรมานพได้ทูลถามถึงเรื่องเทวดาอีกเล็กน้อยเมื่อตรัสตอบแล้วก็ทูลสรรเสริญพระธรรมเทศนา แสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิต